Book 2 6ห61ลบดับเลขยตเดือนลำดับเลขเดือนแรกคือเดือนมกราคมพรีเมเชียเซียโนวา เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ธุริมเสตย์เฟบรัรเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมตรีชิมเสียติย์มาร e ตเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนสตวรต t มเสียตย์อัปรีลเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนเซสติเม西ยูนหกเดือนคือครึ่งปีเจสเม西กมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมวร เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนหมายอายุเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเซียดมิมสเซียสเยยเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมวอสมิเมสเซียสที่ออกุสเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน девiāti mesiāc je เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม mesiāc สิบสองเดือนคือหนึ่งปีเดวนานัสเมสยาโตเยเดนรกกรกดาคมสิงหาคมกันยายนยูลออกัสต์เซปเทมเบอร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออกโตเบอร์โนเวมเบอร์และเดซเซมเบอร์